ซึ่งอาจจะเอาวัดรสุโกโตนี่เป็นที่จำลองก็ได้เวลามีอาคารตุกกะมาด้านเราเกิดโดยเพราะเป็นคนที่เราคุ้นเคยเราก็อาจจะยินดีดีใจที่เขามานะแต่ว่าเมื่อเวลาเขาไปนะเราก็หอกเหี่ยวหรือเกิดอะไรขึ้นมานะอันนี้จะเป็นคนที่มาอยู่ใหม่ๆ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 กับพระนะหรือว่าโยมประจำสมัยก่อนก็มีโยมประจำอยู่สองสามคนเท่านั้นเองนั้นคนที่มาก็เป็นคนที่เรารู้จักคุ้นเคยเมื่อมาก็รู้สึกยินดีแต่ว่าพอเขาไปเราก็จะหงอยขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นเช้นนี้อยู่บ่อยๆนะซึ่งมันก็เป็นเครื่องชี้ว่าไอ้ความเพลิดเพลิน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 มันก็จะมาอยู่ไม่นานแล้วมันก็ต้องไปมันไม่มีทางที่จะอยู่กับเราไปได้นานๆแัะ น, น, นั้นตอนที่ที่เราไปยึดเป็นเหนียวเอาไว้โดยอุปทานอันนี้ที่เรียกว่าจะเป็นอุปทานในเวทนาหรืออุปทานในสังขารก็ตามอย่างที่เราสวดตอนเช้าถ้าเราเป็นอุปทานในสุขเวทนา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 เราก็สามารถที่จะทรงใจให้เป็นปกติได้และเราก็รู้ว่าเขาก็จะอยู่ได้ไม่นานแต่ก็ไม่ได้มาเขามาอยู่เฉยเราก็อาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้เขาไม่สามารถที่จะมาเกะาะปัญหาแก่เราได้ในการเจริญสตินะเราก็ใช้วิธีที่จะฝึกใจให้มีความปกติอยู่เสมอ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 อยู่เสมออยู่เสมอเนี่ยโดยที่ไม่มีการเลือกสรรไม่มีการกลีดกันไม่มีการปิดกัน้นหรือไม่มีการยื้อยุดฉุดเหนี่ยวเอาไว้อันนี้แหละนะมันเป็นตัววิปัสสนาโดยตัวมันเอ ง, งการเจริญสติเพื่อที่รักษาใจให้เป็นผู้รู้ผู้เห็นอยู่เสมอเนี่ยไม่ว่าอะไรจะมาเยือนจิตของเราก็ตาม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 ว่าคนนี้ดีอ่ะขอขอให้อยู่นานๆ น, น, นะอย่าไปเลยอย่ากลับเลยอันนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราธรรมชาติของเขาเข้ามาแล้วเขาก็ไปอยู่แล้วนะเราทาอะไรไม่ได้เราไม่สามารถจะควบคุมบังคับบัญชาได้แต่เราเรียนรู้ได้จากอากาศที่เข้ามาแล้วเขาไปจนกระทั่งเราสามารถที่จะอยู่เป็นปกติได้ใครจะมาใครจะไปเราก็ไม่ทุกข์เขาอยู่นานเข้ามาประเดี๋ยวปดา เราก็ทําหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านนะด้วยจิตที่เป็นปกติแล้วล่าเนี่ยเวลาเราปฏิบัติธรรมนะอย่าไปลาคาญอย่าไปโมโห О ตัวเองที่มันเครียดอย่าไปรู้สึกผิดที่เกิดความรู้สึกแย่ๆนะกับตัวเองขอให้ตั้งสติดูหรือว่ารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นกำลังเกิดขึ้นที่ใจของเรา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 อันนี้ถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรมของเราก็จะเจริญก้าวหน้าแล้วก็จะดาเนินไปบนวิถีของวิปัสสนามากขึ้นตามลำดับ